เป็นวันต้นขอแนะนำในการเจริญกรรมฐานแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทสการเจริญกรรมฐานบรรดาญาติโยมทั้งหลายทุกคนที่มีความหวังก็คือหวังนิพพานอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติเป็นระเบียบแต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่แน่นักนปริยภัยที่ผ่านได้หรือไม่ได้ถ้าชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าอาจจะไปได้ ชาติหน้าไปไม่ได้ชาติโน้นจะไปได้ก็ร้องความว่าการปฏิบัติพระนิพพานไม่ใช่ทํากันชาติเดียววันเดียวครั้งเดียวทั้งนี้เว้นแต่ว้ว่าคนที่มีบา ร, รมีเต็มถ้ามีบา ร, รมีเต็มครบทุกอย่างทบท่วนบริบูรณ์นั่นก็นหมายเท่าวันว่าฟังเท่ครั้งเดียวก็เป็นพระ อ, อริยเจ้าบางท่านก็เป็นวิโสดาบันบ้างเป็นสกิทาคามีบ้างเป็นนาคามีบ้างเป็นพระรหันบ้าง หากบรารมียังไม่เต็มก็แปล ว, ว่าสะสมบรารมีไปก่อนวันนี้ญาติโยมพุทธบสัตว์บรารมีเต็มหรือไม่เต็มอาตมา ก, ก็ไม่ทราบโดะเฉพาะอย่างนี้อาตมาเองบรารมีเต็มหรือไม่เต็มก็ไม่รู้อยู่เหมือนกันในเมื่อตัวเองไม่รู้คนก็ต้องไม่รู้คนอื่นกลมความว่าจะเต็มหรือไม่เต็มก็แฉ่งพื้นฐานการปฏิบัติอันดับแรกควรก้าวเข้าไปหาหมุมของนิพพานก่อนเข้าเขต คำว่าพระโซดาบันท่านแปลว่าเป็นผู้เข้าถึงกระแสมริคพานแล้วอันดับแรกเราก็จับเอาอาการอารมณ์ของพระโสดาบันม่ใช้แต่ก็ทั้งนี้ก็จงย่าหลงที่ว่าเราเป็นปะโซดาบันคิดเพียว่าท่านทํำยังไงเราทําตามท่านถ้าทํำยังไม่ครบพยายามปฏิบัติฝึกฝนถ้ามันครบค่อยๆทําค่อยๆไปอารมณ์ของปะโสดาบันก็คือหนึ่งส ก, กายทิฏฐิ ท่านแปลว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราทั้งนี้เพราะร่างกายมันตายแต่ความจริงร่างกายนี้เราไม่ต้องการให้มันตายถ้ามันก็จะตายถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราไม่ต้องการให้มันตายก็ต้องไม่ตายท่นนี้ทั้งท่านที่เราไม่ต้องการให้มันตายพยายามเลี้ยงทุกอย่างทาทุกอย่างพื่อความอยู่เป็นสุขของร่างกายแต่มันก็ไม่สุข เราไม่ต้องการให้ร่างกายแก่มันก็ไม่ยอมมันจะแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยป้องกันทุกอย่างไม่ให้มันป่วยมันก็ไม่ยอมมันจะป่วยในที่สุดมาถึงวาระที่มันจะตายเราไม่ต้องการให้มันตายมันก็จะตายอันนี้ก็แสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าอย่างนั้นญาติโยมอาจจะถามว่าถ้าเราจริงๆเป็นใคร ก็ต้องตอบตามภาษาหนังสือบอกว่าร่างกายของเราจริงก็คือจิต <c oughs> จิตที่คือเราแต่ตอบตามภาษานักปฏิบัติก็เรียรักเขาว่าเราก็คืออาทิตมานกายกายภายในที่ซ้อนกายนี่อยู่นี่คือเราอัน <c oughs> นี้คําว่าอาทิตย์สมานกายหมายถึงอะไรบางคนก็ไม่รู้จักทั้งนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่เคยประสบมาก่อน ก็ต้องขอบอกว่าร่างกายที่เราฝันเรานอนหลับแล้วก็เราฝันว่าไปทำโน่นไปทำนี่บางครั้งต้องหนีอะไรมาก็ตามแลวทำงานหนักๆเหนืยตื่นขึ้นมายังเหนื่อยไอ้ตัวที่ฝันไปนั่นคือเราจริงๆขณะที่เราฝันร่างกายมันนอนเฉยๆนอนที่ที่เดิมแต่ว่ามันรู้สึกว่าไปโน่นไปนี่ได้นั่นคือเรา และร่างกายที่เราฝันนี่เราบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่จะบอกว่าถ้าตายจากความเป็นคนเมื่อไรถ้าเวลานั้นจิตใจเกาะบาปบาปก็จะพาไปสู่อบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเป็ดบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสัติฉานบ้างถ้าจิตใจเกาะความดีสิ่งที่เป็นบุญกุศลมีทานเป็นมีทานมีศีลเป็นต้นและภาวนาอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างถ้าจิตสะอาดถึงที่สุดก็ไปนิพพาน อันนี้มาวา <c oughs> ่าถึงการปฏิบัติการปฏิบัติเพื่อหวังผลให้พ้นทุกข์เราก็ค่อยๆทำเราหวังนิพพานในชาตินี้จะไปนิพพานได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องกดข้อกดข้องกำลังใจถ้าชาตินี้ไปไม่ได้ชาติหน้าอาจจะไปได้วิธีเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นต้องฝึกสมาธิก่อนคําว่าสมาธิในแปลว่าตั้งใจ ถ้าเราตั้งใจนึกถึงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนั้นเรียกสมาธิอย่างเวลานี้บรรดาญาโยมพระเทวทูตบริษัทตั้งใจฟังเสียงถ้าหากว่าหูยังรู้ว่าเสียงพูดจิตะระดับทราบอารมณ์ของเสียงที่พูดออกมาถ้อยคำของเสียงที่พูดออกมาอย่างนี้ถือจิตเป็นสมาธิถ้าถือสมาธิในเวลานี้จักเป็นสมาธิกองไหนเสียงเป็นธรรมะ ชื่อว่าสมาธิกองนี้เป็นธรรมานุสติก ร, รมมฐานถ้าทราบว่าเป็นเสียงของพระสงฆ์ในพุทธศาสนากองนี้ก็ถือว่าเป็นกองสังคานุสติก ร, รมมฐานเวลานี้ที่อวทได้สองกองเป็นก ร, รมมฐานสองกองด้วยกันเพราะว่าตั้งใจฟังเสียงตอนนี้ก็มาพูดกันโดยย่อเวลาปฏิบัติจริงๆอันดับแรกให้กาหนดรู้ลมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทร <c oughs> าบขณะที่รู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกอารมณ์อื่นไม่เข้ามาแทรกเวลานั่นจิตเป็นสมาธิในอนาปานุสติกำฐานคือนลมให้ใจเข้าออกอย่าลืมนะ ว่าคำว่าสมาธิไม่จำเป็นต้องมาถึงกับขั้นไม่รู้ตัวไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิขณะใดาที่จิตใจตั้งอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเรียกสมาธิถ้าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะภาวนาด้วยสำหรับด้านสุขเปโกนี่ภาวนาไม่จํากัดก็ <c oughs> เรียกว่าท่านจะภาวนาว่ายังไงคล่องตัวมาแล้วไม่ต้องเปลี่ยนสําหรับญาโยมที่เคยปฏิบัติมาก่อน จะเพิ่งเคยภาวนาไปอย่างไหนก็ตามอันนั้นไม่ต้องเปลี่ยนแต่เป็นเพียงแต่ผมว่าให้ควบคู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าไม่เคยไม่เคยภาวนามาเลยให้ใช้คมนาว่าพุทโธเวลาให้ใจเข้านึกว่าพุทโธเวลาหายใจเออถ้านึกว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นอานาปานุสติก็ได้ทั้งสองอย่างเป็นกรรมฐานสองอย่าง นี่คาบานานก็รู้ลมหายใจก็ออกเป็นการ ง, งับจิตฟุง้งซ่านตามธรรมดาจิตของเราต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดา <c oughs> เพราะว่าจิตนี่เป็นนี่เป็นพักพวกติดต่อร่วมกับนิวรณ์มาตลอดการตลอดสมัย <c oughs> เพราะอาการฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์ตัวที่สี่ที่รู้อุจจาองกุฏะอย่างนี้มันก็คบกับกาบานานทระยาห์หักห้ามไม่ฟุ้งซ่านมาเป็นไปไม่ได้ก็ต้องใช้วิธียืดหยุน่น ยอมแพ้มันบ้างและชนะบันบ้างเป็นของตามธรรมดาและนี่การภาวนาการลมหายใจเขาออกนี่ทำเพื่อจิตเป็นสุขถ้าภาวนาไปภาวนาไปรู้ลมหายใจเขาออกไปจิตก็เริ่มหายเหนื่อยแรกจะมีความนับสึกว่าจิตหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นเร็วนี่คืออาการเหนื่อยจากการงานมาถ้ากำหนดรูล้ลมหายใจเขาออกด้วยภาวนาด้วยภาวนาแบบส บ, บายๆ้ใจตามส บ, บายๆ สักปรเดี๋ยวเกลียวใจจะเริ่มเรียบการการเต้นเร็วแล้วเต้นแรงเขาใจจะเบาตัวลงจิตจะมีความสุขตอนนั้นจิตเริ่มเป็นสมาธิเข้าเครื่องเข้าเข้าขัา้นขั้ขนะสมาธิแต่นี้พอจิตเริ่มสบายไม่วุ่นวายอารมณ์เริ่มเป็นสุขต่อมาก็เริ่มใช้ปรรัญญาใช้ปัญญาด้า น, นอนุนัยอนุสติอีกคือใช้ปัญญาตามอารมณ์ของปัจดาบัน คิดว่าบุคคลที่ท่านเป็นบาโสดาบัญคือเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตนใดนั่นท่านยอมรับความเป็นจริงคือร่างกายที่มันต้องตายเราก็มานั่งนึกถึงความตายว่าคนที่เกิดที่หลังเรามีใครบ้างไหมที่ตายไปแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าคนที่เกิดมาที่หลังตายไปตั้งเยอะคนที่เกิดพร้อมๆกับเรามีไม่ตายไปแล้วก็มีมาก คนที่เกิดก่อนเราก็ตายไปแล้วก็มีมากตรวมความว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดมาในโลกนี้ทุกคนต้องตายหมดไม่มีเหลือเราก็ต้องตายเหมือนกันนั่นว่าคิดต่อไปใช่รมคิดอย่างนี้ก็เป็นสมาธินะอย่างนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติกมรรฐานถ้าคิดเรื่องของความตายนี่จะมีสมาธิในม ร, ม ร, มรณานุสติไม่เฉลอะเถอะนะ คือทิ้งลมให้ใจเข้าออกทิ้งคำบรรณามาคิดแต่คิดในขอบเขตอันนี้คิดนี่สําคัญมากไปร ม, มโสดาบันต่อไปก็คิดต่อไปว่าถ้าเราย่าตายก็เชิญตายเราเชิญเมื่อก็ตายไม่ไม่เชิญเมื่อก็ตายแต่ว่าการตายคราวนี้และการตายต่อไปขา้างหน้าเราจะไม่ยอมไปอาบ่ายภูมินั่นคือเราจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง คือจิตใจไปนึกถึงความดีของพระพเจ้าเมีย ว, ว่ามีความดีอะไรบ้างเอาอย่างย่อๆว่าหนึ่งสปปรพปาปัสสะกิรนังพระพเจ้าทรงสอนในละความชั่วทุกอย่างขึ้นที่ว่าการพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วทุกอย่างพระพเจ้าทรงแนะนําบัญญัติทำเลยมันไม่ดีก็เห็นว่าพระพเจ้าทรงตัดความแนะนําให้ตัดความชั่ว อุปสรรคสูวิสุ ส, สมุทาทรงแนะนําให้เราสร้างแต่ความดีสิ่งใดเป็นความดีสิ่งนั้นทำการกระทําทางกายดีพูดดีว่าพูดคือวาจาได้คิดดีอย่างนี้พระเจ้าทรงแนะนํารรงความว่าพระเจ้ามีคุณอันา น, านั้นสอนให้คนละความชั่วประพฤติความดีต่อมาก็มาทำคําสั่งสอน อ, อ, องค์สมเด็จพระสัทธรรมพระเจ้าตามนั้นเป็นความดีที่เราจดจํามาเพื่อปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ที่เป็นพระอริยเจา้าท่านรวบรวมคําสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเพื่อแหวรู้กรวงความว่าคุณพระพุทธเจ้าก็ดีคุณพระธรรมก็ดีคุณพระอริยสงฆ์ก็ดีท่านดีมากควรที่เราจะยอมรับนับถือถ้าคิดอย่างนี้ก็คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติคิดถึงพระธรรมคำําสอนสอนไปรำมานุสติคิดถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติ ลงควมามว่าในจุดนี้เราทำกรรมฐานสามกองร่วมกันคือพุทธานุปติธรมานุปติสังคานุปติถ้าอารมณ์คิดอารมณ์คิดถึงพระพุทธเจ้าว่าทำพระอริยสงฆ์และยอมรับนับถือด้วยความจริงใจอย่างนี้กำลังใจเขาท่านนั้นจะไม่ลงอบายภูมิคือถ้าตายในขณะดที่จิตจะมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นต้นไม่ลงอบายภูมิแน่ เป็ น, นเพียงแค่คิดในน้อยอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ในพระธรรมบทที่เรียนกล่าวว่าอย่างมัตตากุณลีเทพบุตรซึ่งแต่กูล น, นี้ไม่เครารพพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเคยได้ผ่านหน้าบ้านมิณาบาตผ่านหน้าบ้านเขาไม่เคยยกมือไหว้ <c oughs> ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศแต่ว่าเวลาใกล้จะตายมัตตากุณลี เห็นว่าพ่อกับแม่ไม่เป็นที่พึ่งทรัพย์สินทั้งหลายไม่เป็นที่พึ่งเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมใจดีมีเมตตาก็เลยนึกถึงพระองค์สมเด็จพระสัมมาพุฒิเจ้าให้มาช่วยหายป่วยแต่ความจริงเขาไม่ยังหายป่วยเขาตายเวลานั้นก็อาศัยการนึกถึงพระพุทธเจ้าเวลานั้นทั้งๆที่ไม่มีความเคารพแน่นอนไม่ได้คุณลีเที่บุตรก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลก ต่อมาพ่อของพรตัตกุนาลีเทศบดไปถามพระพุทธเจา้าว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถือท่านนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าพระมณฑลก่อนพรามคนที่ไม่เคยฟังเทศไม่เคยใส่บาตรไม่เคยยกมือไหว้ นึกถึงชื่อสถาคตอย่างเดียวไปสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนะับพันนับเป็นโกดนี่รงความว่าคนที่นึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ไม่ไมปนรกฉะนั้นบรรดาท่านพระสงฆ์บริสัทธ์นคิดว่าจะหนีนรกก็ตั้งใจใช้ปัญญาพิจารณาความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจอย่างนี้ถือว่าพ้นอวัยวะภูมิได้เปราะหนึ่งแต่ยังไม่แน่นอนนัก ต่อไปที่จุดหนึ่งอารมณ์พระโสณ์ดามันนิ่ตัดพิจิกิจฉาสงสัยนะต่อไปก็ตัดศีลปะตะปรามาสก็มีสามข้อศีตลตปตะปรามาสคือนักรักษาศีลไม่จริงไม่จังลูกเขาเรียกลูกทำศีลคืเ อ, อเป็นเพียงว่าสมาทานได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่นักษ า, าจริงจังเรื่องนี้เป็นศีลนับะะะะตะนับตปรามาสถ้าเราไม่ทํอยางนั้นเราตั้งใจรักษาศีลโดยคารม คือขาบทของศีลห้ามีอะไรบ้างหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สมไม่พืชกิดในกรรมสี่ไม่พูดหุูสาวาสห้าไม่เดี๋ยวโรามีอะไรเราตั้งใจรักษาด้วยความจริงใจไม่ใหม่อาจจะเผลอบ้างหรือบ้างเป็นของธรรมดาต่อไปคิดมาคิดไปด้วยความจริงก็จะไม่เผลอในเมื่อไม่เผลอในการรักษาศีลเทวศีลทรงตัว อย่างนี้เรียกองสามรายการเขาประสดาบันครบครืนหนึ่งสกายยติติมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายมีแน่ในเรารายการที่สองพิจิกิจฉาไม่สงสัยในความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอรีย์สองมีความเคารพจริง่งไือได้ประกาศในสองและาระาการที่สามตัดศีลปตปรามาคือรักษาสิ่ครบถ้วน ถ้าสามไการในบรรดาญาโยมพุทธบริษัททําได้ครบถ้วนอยู่ในเกณฑ์องค์มระโสดาบันแต่ว่าขอทุกท่านจงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอารียเจ้าเป็นโสดาบันมันจะเกิดความไม่จะเกิดความประมาทจงคิดว่าเราจะเป็นพระอารียเจ้าหรือไม่เป็นนั้นไม่สําคัญขอเพียงว่านหนึ่งเราไม่ลืมความตายส่องรูพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอเรียสง์เป็นที่พึ่งแน่นอนสามรักษาศินบริสุทธิ์จะนิชัยได้ ถ้าครบองค์สามรายการในด้วถ้าจะเกิดไปชาติใดบังเอิญจะไปนิพพานไม่ได้ชาตินี้จะไปเกิดในชาติใดชั้นใดก็เป็นมนุษย์ที่มีความสุขตามสมควรมีความทุกข์น้อยแต่ว่าบรรดา ญ, ญาติโยมพระสบริษัทคนที่เกิดเป็นมนุษย์นี่จะถือเอาแต่ดีเฉยๆนี่มันไม่ได้ <c oughs> ก็มีหลายๆคนมานั่งบ่นว่าบุญทุกอย่างก็ ท, ทําทําไมยังป่วยไข้ไมส่ส บ, บายบ้างขัดน้นข้องนี่บ้าง พระทำไมจึงไม่ช่วยก็มีหลายรายในโยมวันนี้ไม่จะพูดปรับไม่ช่เปรียบเทียบนะมีพบหลายคนที่ไปบ่นอาตมาฟังแต่ญาติโยมนั้นก็ควรจะลืมคิดว่าพระก็ป่วยเหมือนกันเห็นไหมก็มีอาการขัดข้องเหมือนกันอาการป่วยก็ดีการทุกข์ร้อนต่างต่างก็ดีมันก็เกิดกระลาได้ทุกคนเพราะกฎของกรรมแล้วเกิดมาในชาตินี้ต้องมองดูกรรมชาติก่อนกรรมชาติก่อนที่เป็นบาป มันก็ตามให้ผลมาสนองชาตินี้เป็นความทุกข์ในชาตินี้ถ้ากรรมชาติก่อนที่เป็นบุญกุศลมันก็ตามมาสนองให้เกิดความสุขในชาตินี้องค์ความเราเกิดเป็นคนแล้วไม่ใช่มีสุขอย่างเดียวหรือไม่ใช่มีทุกข์อย่างเดียวมันมีทั้งสุขก็มีทั้งทุกข์แต่ว่าจะถ้าจะพูดตามจมบทแบบฉบับพระอริยเจ้ า, จาถึงถือว่าทุกข์ทั้งหมดแต่พูดตามวิสัยคุศลชาวโลกต้องถือว่าความสุขก็มีความทุกข์ก็มีทั้งนี้เพราะอะไร ว่ากรรมชาติก่อนเราทำทั้งสองอย่างทําทั้งบาปและทำทั้งบุญเมื่อบาปตามฉนองเวลานั้นเรามีความทุกข์เมื่อบุญให้ผลเวลานั้นเรามีความสุขตัวอย่างในพระธรรมบทท่านบอกว่าในสมัยที่พุทธเจ้ายังทรงชีวิตอยู่เวลานั้นสมเด็จพระรมครูสเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันมหาวิหารสมเด็จพระจิตตมานทรงปราบพระติสระ ถ้าติดสะองนี้ก็เป็นลู ก, กหษวอดีรยมากต่อมาเมื่อพะพระเจ้าแล้วทั้งข้งแรกก็เกิดความเลื่อมใสฟังเทศจบเดียวก็ขอบวชในพุทธศาสนาเมื่อบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งใจทำความดีทุกอย่างอะไรที่พระเจ้าว่าไม่ดีไม่ควรทำอย่างนั้นท่านไม่ทำอะไรที่พระเจ้าว่าดีควรทำท่านทำอย่างนั้น <c oughs> แต่อยู่นาไม่นานไม่ทันจะเป็นพระอรเียเจ้ากรรมตามสนองท่านคือกรรมในชาติก่อนอันดับแรกกดของกรรมตามมาคือเป็นหัวเม็ดเล็กๆ เ, เป็นตุ่มตุ่มเล็กๆ เ, เต็มตัวตั้งแต่หัวตลอดเท้าเต็มทั้งตัวต่อมาตุ่มเล็กๆอย่างนั้นค่อยๆโตขึ้นจนเท่าเคื่อเท่าถั่วเขียวต่อมาก็เลยโัเขียวไปถึงถั่วเหลืองจากถั่วเหลืองก็โตเท่าเม็ดมะขามาขป้อม โตเลยไม้รูปคำป้องกับโตเท่าผลส้มอาจจะผสมที่เรียวหวานนะต่อมาก็แตกมันแตกก็ไป น, นาเหลืองเยิ้มทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงเทา้าเวลานั้นพระมาพระลูกศิษย์ปฏิบัติอยู่ต่อมาไม่ช้าไม่นานนักกระดูกแข็งกระดูกขาทั้งหมดแตกขยับตัวไม่ได้พระทัางเลยปฏิบัติไม่ไหวพระที่ปฏิบัติก็หนีหมดไ้นอนคอยตายอยู่คนเดียว <c oughs> แต่ว่าบุญบา ร, รมีของพระติดสะจะต้องไปพระหรหันเพราะมีอธิษฐานนบา ร, รมี <c oughs> แต่ว่าถ้าไม่มีอธิฐานบา ร, รมีนะ่าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะต้องมีอธิฐานบา ร, รมีจะก็พราะจะเป็นอรหันต์เพราะมีอธิฐานบา ร, รมีคืนวันนั้นพระพุทธเจ้าคืนวันที่พระทิง้งเวลาตอนเชา้ามืดพระพุทธเจ้าตรวจภายในสัยของสัตว์ <c oughs> พระติดสะตกอยู่ในข่ายพายานเขงพระองค์ พรงก็พิจารณารวพระอะไรเนาะก็สงทราบว่าเวลานี้ติดสะโพยหนักมีตุ่มเกิดขึ้นมาแล้วตุ่มแตกน้ำเหลืองไหลทั้งตัวกระดูกแขนแตกกระดูกขาแตกช่วยตัวเองไม่ได้พระที่ปฏิบัติกนหนีไปไม่มีใครปฏิบัติปล่อยให้มีทุกขเวทนาแต่ผู้เดียวแล้วก็สรงทราบว่าวันพรุ่งนี้ถ้าตถาคตไปช่วยเธอพยาบาลเธอ จิตใจเธอยังมีความสุขร่างกายนั้นไม่สุขแน่แต่ใจจะมีความสุขแล้วฟังเทศสั้นๆเธอจึมบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์พร้อมมีสมมิธายานแล้วก็นิพพานเมื่อทรงทราบแล้วตอนเช้าหลังจะฉันปัะตาหารเสร็จพระพุทธเจ้าก็ากากเข็ดพระองค์เดียวเดินไปแวะโนนนิดแวะนี่หน่อยที่สุดก็แวะเข้าไปห้องพิธิศาพอเข้าไปถึงห้องพิธิศาได้เห็นน้ำผ้าสบองจีวรเปื้อนน้าเหลืองเกลือไปหมด ก็ทรงนําผ้ามาแช่ในถางน้ําตั้งใจจะซักจะต้มให้หมดตําเหลืองมาคราน้าเหลืองแต่ยังไม่ทันจะต้มพระองค์ก็เอาน้ำอุ่นๆมาชุบผ้าเข้าแล้วก็เอาเอาผ้ า, ผ, าผ้าที่ชุบน้ําอุ่นมาค่อยๆเช็ดตัวเช็ดตัวพระติดสะเช็ดตั้งแต่ศิดสะถึงเท้าทั้งหมดบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายเห็นเขา้าก็มากราบทูลมาขอองค์สมเด็จพระสัมมาวเจ้ามาต่องซักผ้าการพระเจ้าทําเอง พระก็ น, นําผ้าไปซักไปต้มพระเจ้าพระสงเช็ดร่างกายพระทิศเช็ดจนน้ําเหลืองเกลี้ยงแห้งไอ้สิ่งนี้เกิดกลางหมดร่างกายก็เบาจิตก็เป็นสุขขึ้นจิตเป็นสุขว่าหนึ่งร่างกายเบาจากน้ําเหลืองน้าเหลืองเคลี้ยงไปแต่การที่สองว่าพระเจ้าทําเองธรรมปฏิติก็ยังมีแก่บคุคคลและพระเป็นของธรรมดาพอจิตใจท่านเริ่มเป็นสุขใจใจใจเบาสบายร่างกายและจิตใจเป็นสุข เพื่อเจ้าก็ส่งเทศสันส้นๆว่าติดสะย์ภายในไม่นานนี้นักไม่ชานา น, นี้ร่างกายของเธอจะมีวิญ ญ, ญาณไปปราดแล้วคำว่าไปปราดแล้วก็หมายความวิ ญ, ญญาณจะออกไปจากกายแล้วเมื่อวิว ญ, ญญาณออใจกระจากกายแล้วร่างกายของเธอนีเหมือนก็บท่อนไม้ที่ทอดทิ้งอยู่ไม่มีประโยชน์ท่านเทศสันส้นๆเพียงแค่นี้พระติดสะบรรลุอรหันต์ทันที เมื่อรู้อาหารต ท, ทันทีพร้อมไปสมิทายานพระ ก, ก็ดำผ้ามาห่มให้หลังจากนั้นไม่ช้ามานานอีกประเดียวเดียวพระติสสะคนิพันธ์เมื่อพระติสสะนิพันธ์ไปแล้พวพระเจ้าสั่งทำรรชำนาญกิจเผาศพพระติสสะให้ทําเจดีประจุ ก, กระดูก ข, ของพระติสสะไว้ต่อมาวันหลังบรรดาพระสมนั่งหลายถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตพระกวาแค่แต่วงสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพระเดียวขาด ติดสะยอมรับผลสองอย่างคือหนึ่งร่างกายเป็นน้ำเหลืองเป็นบเป็นตุ่มขึ้นมาแล้กระบอนน้ำเหลืองแตกกระดูกแขนแตกกระดูกขาแตกนี่เป็นกฎข้องกรรมอะไรแต่ติดสะฟังเทศเป็นแค่สั้นๆได้อรหั น, น, น, รนพราะมีสมิธายานเพราะผลผลบุญอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพิกวดูก่อนบิสุตังหลายกฎของกรรมสองในการให้ผลสนองพร้อมกันนั่นคือทั้งบุญระบาศ ท่าที่ติดสะต้องมีน้ำเหลืองโชคมีตุ่มเกิดขึ้นแล้วก็ตุ่มแตกมีน้ำเหลืองทั้งกายตั้งแต่ศีรษะตลอดเท้าเป็นเพื่อแล้วก็แขนแตกขาแตกแบบนี้เป็นเพื่อกรรำในชาติก่อนอยาชาตินี้ในสมัยพุทธกษัตริย์พรติดสะเป็นนักยิงนกวันหนึ่งได้ยิงนกที่ยิงมามากๆ ก, ก็ขายได้มาก็ขาย เมื่อขายยังไม่หมดก็ย่างเก็บไว้เช้า่อขายต่อไปมาบางค่าที่ได้นกมากเกินไปจะย่างขายยังไม่หมดจะย่างก็ยังไม่เรียกย่างก็ไม่หมดก็คิดว่าไอ้ส่วนที่ยังไม่ได้ย่างถ้าเราปล่อยไว้นกก็จะหนีไปก็เลยหักขาบ้งากกบงหากากากัหกกระดูกปีกบ้างหักขากันนกเดินหักกระดูกปีกกันนกนกบินทิ้งกองทิ้งว้ต้องเช้าเป็นการทรมานสัตว์ ถ้าตอนเช้ารุ่งขึ้นเขขายนกชุดนั้นท่านบอกกฎของกรรมนีบันดาลให้ติดสะต้องเป็นนองทั้งตัวและ ก, กระดูกแขนแตกกระดูกขาแตกเพราะหักขานกหักปีกนกแต่ว่าในเวลานั่นเองในขณะที่เขากําลังยิงนกขายวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระขีนะข่นาศพพระขี่นาพคือพระอรหันต์องค์เดียวนะพระอรหันต์องค์เดียวท่านเดินมาปฏิบัต มายืนอยู่ที่หน้าบ้านของท่านติดสะท่านติดสะเวลานั้นก็มีความรู้สึกว่าเราทำแต่บาปอย่างเดียวไม่เคยทำบุญเลยวันนี้ขอทำบุญให้เต็มเต็มที่ต่างกำลังใจสักวันหนึ่งจะออกไปรับบ่ายของพระเข้ามาในบ้านในมนฑ์เข้ามาในบ้านแล้วก็ให้แม่บ้านทำกลับข้าวอย่างดีที่สุดเท่าที่พึงทำได้ถาวายพระใส่พระชนะตนเต็ม หลังจากนั้นแล้วมาใส่บาตรแล้วเขาอธิษฐานว่าทำใดที่พระพุทธเจ้าบรรลุแล้วขอผมได้โปรดอขอให้โปรดผมได้บรรลุทำนั้นเถิดขรับนีไ่ไปอธิษฐานน่ะบารมีกรหมายความถ้าพระองค์นั้นบรรลุขนาดไหนเขาขอบรรุตามพระท่านก็กลับแต่ว่าชาตินั้นต่อมาเขาถวายพระแล้วทำทางบุญแล้วเขาก็ยิงนกต่อไปรวมความปกฎข้องกรรมนั้นสมด้วยการให้ผลในชาติหลัง เพราะว่าติดสัฟังเทศเพียงแค่สั้นๆเป็นราหันเพราะทานที่ถวายกับพระราหันนั้นก็รวมความว่าคนเราเกิดมาแม้จะอยู่ในสมัยพระเจากก้าก็ตามก็รับผลของกรรมอย่างเดียวกันกรรมข้อที่เป็นบุญให้ผลเป็นสุขคือติสะกรรมที่เป็นบุญครั้งเดียวคือถวายทานกับพระราหารันแต่ว่าทํำกับข้าวอย่างดีสุดทีด่พึงทำได้ครั้งเดียวในชีวิตเป็นเหตุให้ฟังเทศแค่สั้นๆจบเดียว ในไปรันพ่อมไปสมิธายานเรานระบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทดังการทําบุญเนระบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทได้การเกิดมาในชาตินี้ก็ควรยับยกระยอมรับกดของกรรมเก็ณขณะใดาที่อารมณ์ใจมีความทุกข์ร่างกายมีความทุกข์นั่นคือกฎของกรรมที่เป็นบาปในชาติก่อนถ้าเวลาใดจิตใจมีความสุขร่างกายมีความสุขเกิดผลของบุญในชาติก่อนตอนนี้ชาตินี้เราจะทําความดีให้ยิ่งที่สุด ขึ้นชี้ว่าบาปคือ ข, ของมีบ้างเป็นของธรรมดาแล้วก็พยายามทำดีให้หนักคำว่าหนักก็ไม่ได้หมายความว่าต้องทุ่มเทเงินทองแต่ใช้กำลังใจกำลังใจขึ้นก็หนึ่งความดีอย่างสูงสุดหนึ่งเรายอมรับนับถือความตายว่าความตายมันจะมีกับเราแน่จะตายเมื่อไรก็เป็นเรื่องของมันถ้ายังไม่ตายกายงานทุกอย่างไปตามหน้าที่ทาให้ครบถ้วนทุกอย่างจะได้มีควา ม, มป็อยู่เป็นสุข เราการที่สองกอดย่ตายยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งระไว้เรายการที่สามทรงชินท่าบริสุทธิ์ถ้าทำอย่างนี้ขึ้นที่ว่าตายจากชาติที่แล้วการเกิดเป็นนายบายภูมิไม่มีบาปเก่าเก่าที่ทํามาแล้วทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลดะนั้นขอบรรดาญาโ ย, ยมพุธทธศาสนิกชนทุกวันตื่นขึอนใหม่ๆคิดว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้ใน ว, วันไหนก็ได้ความตายอาจจะมีกับเรา แต่ก่อนความตายจะเข้าถึงเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์นึกตอนเช้าหลังจากนั้นก็ตั้งใจสมาทานศีลด้วยความเคารพรว่าศีลหประการหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สาไม่พูดถึงในกรรมสี่ไม่พูดภาษาว่าท่าม่ถึงสุรายไม่ได้จะไม่มีในเราอีกการละเมิดศีลห้าข้ อ, ขอแต่อย่าลืมว่ามันอาจจะเผลอได้ก็เป็นของธรรมดาถ้าตั้งใจรักษายอย่างนี้ทุกวันไม่ใช่ก็ไม่เผลอ ถ้า อ, อ, อาการไม่เผยเพียงใดคือเชื่ออบยภูไม่มีในท่านหรือไม่ตกนรกอีกอรรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทหลังจากนั้นแล้วก็พยายามตั้งกายให้ตรงดารงจิตให้ไม่กาหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้คำภาวนาและพิจารณาตามริยญาศัายตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานมนกรรมฐาน โยนโซมพกวาระหงสมาสมุทโณเจ้าว่าฆาตูณีนาพระเกวันตาธรรมโณปุปติปโนยัจะพะกวตูสาวกสังโฆ ตมายังพกวันตังชธรมังสังขังทิเมหิเสกการิหิยธาหังอรปิเตหิอิปุช <c oughs> ิยามะ <c oughs> ญาณุพันติภควาสุจีระปนิโตีญาณพันติควาสุจีระปนิโตจิมาฉันตาโกรมมานสาปันตากรรมมานสามสกรทุกตาปนาการภูเต <c oughs> ิันหาตุ <c oughs> อมหังดีระตังหิตายะสุขายะอะระหังสมาสัมบูโตภะคะวะภูตังภะคะวันตังนวิวาดดมีเจ้าวาดฆาโตภะคะวัยตายธรมโม อา ม, มังนามาสัมีสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังขังนามามีตอนนี้ไปขุันาเดพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานชินแปด นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ สระนังขชามิธัมมังสระนังขชามิทังขังสระนังขชามีรุติยัมปีอุทังสระนังขชามีรุติยัมปีธัมมังสระนังขชามิ ตุยามปสังฆเระนังขจามีตุยามปีุทังเระนังขจามีตุยมปีธรรมสซระนังขจามี ปัตยัมปีสังฆเทระนังขจามิปนาติปตาเวระมนีสิขาปะทังสมาธิยามิอินนาธนาเวระมนีสิขาวทังสมาธิยามิ พ ร, ร, ร ะ, ะพรมัจจ า, าอิย า, า, าวีระมณีสิกขาวทัทถงสมยาทยามิมุสาวาทาวีระมณีสิกขาวัทถงสมาทยามิ วิราเมรยาตชะปมายธานาเวีระมณีสิกขาบัตังสมาธียามีมานิปัญจสิกขาวัตานิสีเลนะสุขกติยันตีสีเลนะโคขสัมปทา สี่เล่นานิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโซนทะเย่ <c oughs> ตอนนี้ไปเขาญาติโยมทั้งหมดวัดโมสามจกพร้อมกันเพื่อสมาทานเป็นกรรมฐาน <c oughs> อิมาหังพระกวาอตาตภาวังคุมหากังภริจชามิถ้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระพ้าธเจ้าผู้จเจรืนถ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายไว้ชีวิต แด่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องสมเด็จพระมมาพาพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระราชานาบรมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจจีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายภูมิบาจารย์ทั้งหลาย สืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบางโคเป็นที่สุดขอได้โปวดยกจิตขึ้เจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานขั้งสี่สิบทัสษภะปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญานทั้งเก่าขอพระกรรมฐานนั้งสี่สิบทัสษ พระปีติทั้งห้าและวิปัชนายานทั้งเก้าลงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวานในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าในการาบัตินี้เถิดพอได้โปรดยกจิตทึ้นพระเจ้า ขึนสู่ภาวะแห่งไม่เระาจิตสามารถกำห น, นดจิตรู้ภาวะการต่างๆทั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วอลพอเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใส และพยากรได้าไดตามความเป็นจริงทุกประการาเหตุใดที่พึงมังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจ่รู้เหตุนั้นดได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่แบตการใดนาการะบาดดิวนิถิด ต, ตอนนี้ไปขอมันดาญาโจมพุทธวิสัตถ์ายตั้งใจปฏิบัติตามวัตถยาัส ถ้าญาติโยมทหลายที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คำภาวนาวมหะโธแต่ที่เคยปฏิบัติมาแล้วให้ปฏิบัติให้ภาวนาตามบทิยาใสตอนนี้ไปคบวนญาติโยมบ็จะไปั์ทั้งหลายเริ่มปฏิบัติได้ให้เวลาไว้ยีนาที